ฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติก็ทำ ม, ม้าเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเพลินเพลืเสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทําก็ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันทั้งไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตอนเด็กๆไปวัดมาสุ ก, การา เรียนสมถะแบบท่านพอดีอันนั้นเจ็ดขวบแต่แล้วก็ทําสมถะม า, าเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านก็วรรณะภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ตอนครูบาอาจารย์อยู่ใจมีสาเสียเวลาเปล่าๆไปยี่สิกว่าปีฝึกแต่สมถวงวงวงวงะล้วนๆเลยตั้งี่สิบสอปีซึ่งมีปัชนาไม่เป็น แล้วมันมีแต่ใจใอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันก็มานั่งกําหนดลมหายใจใหายใจเข้าคู่สหาใจออกตัวทําอยู่เองได้แต่ความสงบบ้างความภูมิปัญญาบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบางบางวันก็ภูมิปัญญามันก็วนๆอยู่เท่านี้เองตกเีย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดิ น, นจะจ ง, ง, งกลมสงบ พอรุ่งเช้าไปทํามาหากินทํางานแล้วปรุงใหม่วนเวียนจนกระทั่งยี่สิบสามกรุณาสองห้าปีสองห้าคือได้ไปกราบหลวงดดปู่ดูลย์พอไปเจอท่านเนี่ยเป้าไปถึ ง, งก็ไปกราบทอัน้นไม่ได้มีถวายดอกมองดอกไม้อย่างพองเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการอะไรทั้งสิ้นตามไปถึงก็กราบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติ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 เราจะไม่ให้มันเกิดการจิตอยู่ในผมหรือเปล่าลองจับผมอยู่นะจับแต่ก่อนผมยาวนะก็จับผมดูในในผมไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยในขนในเล็บตันหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไล่ไล่ไล่อยู่ในกายเนีหาจิตไม่เจอตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าก็หาจิตไม่เจอรู้แต่ว่าจิตอยู่ในกายแต่จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าจิตมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์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 แต่ทางจิตใจเราจะรู้สึกว่าเป็นคนเดิมอย่างในนี้ในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองเนี่เราต้องคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้ว่าจิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดระกระดับเกิดระระดับนะเกิดรรดับไปเกิดระดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจสัมา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 เราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจละหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอสมสงบเลยจิตใจเราพุ่งตา้านรู้ว่าพุ่งตา้านนี่ถันรู้สภาวะสภาวะพุ้งต้านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขแล้วเราหายใจไปเรื่อยๆแล้วเราไปรู้จิตรู้ใจของเรานะั้นในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะตั้งมากมาย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 แต่ถ้าเราทำแต่เอาความสงบความนิ่งแนละ้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะกี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนิ่งอยู่22ปีมันไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงหัดเอานะหัดเอาได้ข่าวว่าที่สราราลูคินนี่เขเทศน์เปน20นาทีใช่ัหมให้ได้ตัดสึงมากก็โกนฟังได้20นาทีนะัดเอานหะัเนา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 รู้ใจรู้ว่าร่มใจนะรถเมย์มารถเมย์ว่างๆเราดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเปลี่ยใจดีใจเป็นโกรธนะีน่ต้นของเราอยู่อย่างเนี้ยเราภาพตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ถึงที่ทํางานเนะมื่อก่อนอยู่ทาเนียบรัฐบาลเอาเวลาเหลือสิบนาทีนะเดินพอดน่องชมนก ช, ชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแม้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขละจิตใจเราเปลี่ยน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 อย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาสม่ใเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบ า, าจารย์เนี่ยพอรู้วิธีเท่านั้นหลวงพ่อกราบนะกราบลานะ้วผมจะไปทำแนละ้วผมไม่มาหนังแค่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่แลวนะ <c oughs> หลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขเห็นแ้วเหลอเลือเรื่อเปลือกเสียเวลา <c oughs> ใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบๆทายืนเดินนั่งนอนรู้สึกไป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 ไม่มีก็เริกเฉือนเฉิอ น, นอยูคือคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มกกรรคกเกิดมย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 หลวปู่มั่นเรียกขีดที่จิตแล้วแต่สำนวนนะสมเด็จพระยานสังวรท่ า, างงนาเรียกว่ามโนาธาตุอเรายังไม่เห็นหรอกงั้นดูดูของกรุมแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะจะยอยกันกลับไป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 อะไรนะอ๋อไปบวชสิแล้วหวง่จะเล่าให้ปังขาวรักาลรกาลบไหนๆอไหนนี้มเากรรงาตั้งนะไปที่มาทำว่าไสอนอะไรน่ะเรือะรแล้วก็แล้ว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 จิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกีห้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยเรารู้สึกเอดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเ ป, นปน็นอนิจนนจังพอายนถาว่าสาวให้รเพื่อจะรเรสภาวะี่ยวาโอ้เดี๋ยวเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้ <c oughs> คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งสัก่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 ก็ที่นรูปบตไปกระทันีัแล้วเมื่อสติจิงเกิดเนี่ยรูปปฏิบัตรใช้สติได้รับการทำใจนี่ไมนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่หวือหวาเหมือนปีติในสมประตนะมันจะมีความสุขโชยแผ่แผขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทำไมอยู่ๆแค่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว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 รุ่มวนวลเรียกมุตุตาจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์ครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญตาไม่มีกิเลแสแทรกจิตต้องปราดเปรียวคล่องไหวไม่แข็งไม่ซึนไม่ชื่อนะจิตของคุณื้อๆื้นิดนึงดวกไหมชื้อชื้ตัวนี้ยังไม่ใช่นะถ้าฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเอาคุณผู้หญิงนี้ อะไรนะอือคืทุกอยานที่าที่ไหนก็ได้เกาเาทท่านยังม่มีัญคือดเนี่ยอกั่ตั่เ็แล้วคุณแม่ก็ม่ค่ก็ไว้ก็แบบผล่โผได้มากๆเราเค็วางนเรื่องหน้าจัดกาได้ออยเน่าไปหาคนเยอะมากๆเลยก็เลยแบบยจ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 เรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่าเอ อ, องั้นอย่าคุยเยอะห้ามคุ ย, คยห้ามคลุกคลีเมื้ <c oughs> องต้นพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลี <c oughs> ไม่ไงั้นคุ ย, ค ย, คยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้แล้วเวลานั่งสมาธิคือาว่าเรานั่งแต่นั่งไ่ได้อกนั่งนั่งส่วนไม่นไเด้ลยเลยเเลล